เรื่องอนาถาบินทิกะเศรษฐีพระสาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรเศรษฐีชื่ออนาถาบินทิกะความพิสดารว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวันด้วยรัพย์54โกรไปสู่วัดบำรุงภิกษุทุกวันทั้งพัตตาหารและเพสัช ร, ระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้และผ้าเป็นต้น ถวายทานแล้วรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันตลอดการเป็นนิดการต่อมาเศรษฐีจนลงเนื่องจากพวกพ่อค้ากู้หนี้18โกฎไม่ชำระสมบัติ18โกฎฝังไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำพังลงจมมหาสมุทรหายไปซับได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำดับ เศรษฐียังคงถวายทานตามมีตามได้แก่สงเรื่อยไปด้วยข้าวปลายเกวียนและน้ำผักดองพระศาสดาทรงตรัสว่าขครหาบดีท่านอย่าพึงคิดว่าทานนี้เศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตปราณีตแล้วทานที่ถวายแด่พระาอารหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมองไม่มี ครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนเมื่อพระสาสดาและพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจดำรงอยู่ที่ซุ้มประตูได้คิดว่าทําอย่างไรพระสาสดาและพระสาวกจะไม่เข้าไปสู่เรือนจึงคิดยุยงเศรษฐีในราตรีเทวดาเข้าไปสู่ห้องเศรษฐีกล่าวเตือนเศรษฐีว่าได้จ่ายซัพ์เป็นอันมากในการบารุงพระศาสนาได้เป็นผู้ยากจนแล้ว ชาประพฤติอยู่อย่างนี้จะต้องหมดเนื้อหมดตัวเป็นแน่นอนจงเลิกบริจาคเกินกำลังเสเถิเรเศธีได้ฟังกล่าวว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าโดยเร็วเทวดานั้นถูกเศรษฐีขับไล่แล้วไม่มีที่อาศัยเข้าไปหาเทพบุติผู้รักษาพระนครไปสู่สำนักเท้ามหาราชทั้งสและไปสู่สำนักแห่งเท้าสั ก, กะเทวราช รัดกับเทวดานั้นว่าถึงเราก็จักไม่อาจกล่าวกับเศรษฐีเพราะเหตุแห่งทานได้เช่นเดียวกันแต่จักบอกอุบาสให้ท่านสักอย่างหนึ่งท่านจงจำแลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีนำสัญญากู้เงินจากเศรษฐีไปทวงหนี้ให้เขาชำระหนี้ส8บปดโกรคืนมาด้วยอนุภาพของตนและรัพย์18ปดโกรที่จมอยู่ในมหาสมุทรก็ดีจงรวบรวมรั์ทั้งหมดมาไว้ที่ห้องบ้านของเศรษฐี แลจึงขอขมาโทษเศรษฐีเทวดานั้นทำตามทุกอย่างที่ท้าวสักกะทรงแนะนำเศรษฐีนำเทวดาไปเฝ้าพระสัสดาให้ทรงอดโทษแล้วเศรษฐีจึงอดโทษให้ภายหลังพระสัสดาทรงตรัสโอวาทว่าดูก่อนครหบุีบุคคลผู้ทําบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผล ส่วนผู้ทำกรรมดียอมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขายอมเห็นกรรมดีว่าดีจริงในการจบเทสนาเทวดาดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลพระธรรมเทสนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันดังนี้แหละ เรื่องชนสามคนได้แก่กรรมเก่าของอีกาภริยาในเรือถูกท่วงน้าพระถูกขังอยู่ในถ้ำพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบสามคนได้ยินว่าครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้รับนิมนต์ให้นั่งในโรงฉันเพื่อรอเวลาบินทบาทขณะนั้นเปลวไฟลุกโผล่ขึ้นจากเตาของคนครัวคนหนึ่งกาลังหุงข้าวปรุงอาหารอยู่ ไฟติดชยายคาสวียห ญ, ญ้าอันหนึ่งปลิวขึ้นจากชายคานั้นอันไฟไม่อยู่ลอยไปสู่อากาศในขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาทางอากาศสอดคอเข้าไปในสวียห ญ, ญ้านั้นอันเกลียวหญ้าพันแล้วไม่ตกลงที่กลางบ้านภิกษุทั้งหลายจึงไปทูลถามพระศัสดาภิกษุอีกพวกหนึ่งโดยสารเรือไปเพื่อจะไปเฝ้าพระศาสดา เรือได้หยุดนิ่งเฉยในกลางสมุทรคนโดยสารในเรือพากันคิดว่ามีคนกาลกินีในเรือจึงทำสลากให้จับภริยาของนายเรือยังอยู่ในวัยสาวรุ่นจับสลากได้ถึงสามครั้งนายเรือจึงตัดสินใจจับเรลื่องเครื่องอาภรออกให้นางนุ่งผ้าเก่าประโยชน์อะไรด้วยอาภรของนางนี้จะชิบหายไปเปล่าแล้วเอากระออมที่เต็มด้วยทรายผูกไว้ที่คอโยนลงในมหาสมุทร เรือก็แล่นไปเป็นปกติพิกษุทั้งหลายได้เข้าไปเฝ้าเพื่อทูลถามพระศัสดาภิกษุเจ็รูปอีกพวกหนึ่งไปจากปัจจันตะชนบทเพื่อเฝ้าพระศัสดาเวลาย็นเดินทางถึงวัดแห่งหนึ่งพักแล้วในถ้ำ ม, มีเตียงอยู่เจ็ดเตียงนอนบนเตียงนั้นตอนกลางคืนแผ่นหินเท่าเรือนยอดกลิ้งลงมาปิดประตูถ้ำไว้คนภายนอก พยายามช่วยกันเอาแผ่นหินออกพยายามแล้วก็ไม่อาจยังให้แผ่นหินขยื่นออกจากที่ได้แม้ภิกษุภายในก็พยายามแล้วเหมือนกันก็ยังไม่อาจให้แผ่นหินนั้นขยื่นได้ตลอดเจวันพวกภิกษุทั้งเจ็ดอันความหิวแผดเผาแล้วตลอดเจดวันได้เสวยทุกขเวทนาอันใหญ่แล้วในวันที่เจ็ดแผ่นหินก็ได้กลา ก, กลิ้งออกไปเอง พวกภิกษุคิดว่าบาปของพวกเรานี้เว้นพระสัสดาสิแล้วใครเราจะรู้ได้พวกเราจะทูลถามพระสัสดาพระสัสดาทรงตรัสพยากรณ์โดยลำดับอย่างนี้บุรพกรรมของกาภิกษุทั้งหลายกานั้นได้สวยกรรมที่ตนทมแล้วก็ในอดีตชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสี ฝึกโคของตนอยู่แต่ไม่อาจฝึกได้ด้วยโคเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับนอนเสียแม่เขาตีให้ลุกก็เดินได้หน่อยหนึ่งก็นอนเสยอย่างเดิมนั่นหละแม้พยายามอยู่ก็ไม่อาจฝึกโคนั้นได้ความโกรธครอบงำแล้วเขาทำฟอนฟางพันคอโคและจุดไฟโคถูกไฟครอบตายในที่นั้นเองเขาตายแล้วไม่อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน วิบากกรรมอันบาปนั้นมาเกิดในกำเนิดกาเจ็ครั้งถูกไฟไหม้ตายในอากาศอย่างนี้แหละโดวยวิบากที่เหลือบุรพากกรรมของภริยาในเรือภิกษุทั้งหลายหญิงนั้นสวยกรรมที่ตนทำแล้วเหมือนกันก็ในอดีตการ หญิงนั้นเป็นภริยาขฤา ห, หาบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนางทำครัวปรุงอาหารตักข้าวซ้อมข้าวมีสุนัขตัวหนึ่งของนางนั่งแลดูนางนั้นนางจะไปนางไปป่าเก็บผักหักฟืนสุนัขนั้นย่อมตามไปกับนางด้วยทุกครั้งพวกคนหนุ่มชาวบ้านเห็นก็พูดเยาะเยะ้ยนางนางขวยเขินอายเพราะคาพูดของคนพวกนั้นบ่อย จึงประหารสุนัขด้วยท่อนไม้และก้อนดินให้หนีไปสุนัข ก, กลับแล้วก็ตามไปอีกได้ยินว่าสุนักนั้นอดีตชาติได้เคยเป็นสามีของนางในอัตภาพที่เจเหตุนั้นมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่ใครๆชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียหรือผัวกันในสังสารวัติไม่มีเลยโดยแท้ความรัก ย่อมมีในผู้เป็นญาติกันในอัตภาพไม่ไกลด้วยเหตุนั้นสุนัขจึงไม่อาจละจากนางได้นางโกรธสุนักนั้นนางถือกระออมเปล่าไปสู่ท่าน้ำแห่งหนึ่งบรรจุให้เต็มด้วยายและเอาปลายเชือกผูกที่คอสุนัขผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ำกระออมตกน้ำก็ได้ทำกาละตายในน้ำนั้นนั่นเอง นางไม่อยู่ในนรกสิ้นกาลนานเพราะวิบากกรรมนั้นด้วยวิบากที่เหลือจึงถูกเขาเอากระออมสายผูกคอถ่วงน้ำตลอดหนึ่งร้ออัตภาพสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่ไม่เคยเป็นญาติกันไม่มีเพราะในกรรมมสูตรพระไตยปิฎกเล่มที่สิบปดทรงตรัสรับรองยืนยันว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นนี้เป็นกรรมเก่าและแคบเข้ามาอย่างในเรื่องนี้ ทรงตรัสว่าชื่อว่าไม่เคยเป็นสามีภริยากันในสังสารวัตไม่มีเลยแม้แต่สุนัขที่อยู่ในบ้านก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วดังนั้นเมื่อเห็นเมื่อได้ยินแล้วจะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรออกไปพึงโยนิโสมนัสิการพิจารณาให้เป็นไปในทางกุศ ล, ลกรรมและสุจริตชอบเพราะเป็นกรรมใหม่จะเป็นชนกกรรม นำเอาไปเกิดอีกถึงหนึ่งร้อยชาติอย่างในเรื่องนี้บุรพากกรรมภิกษุเจ็รูปภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งเจ็ดก็สวยกรรมอันตนกระทําแล้วเหมือนกันก็ในอดีตการเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนชาวกรุงพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่กราวละเจ็ดวัน ย้ายไปในดงป่าใกล้ๆกันแห่งหนึ่งวันหนึ่งเลี้ยงโคแล้วกลับมาพบเฮีย์ใหญ่ตัวหนึ่งจึงไล่ตามเฮีย์ตัวนั้นหนีเข้าไปสู่จอมปลวกจึงพากันอุดรูทั้งหลายที่จอมปลวกแล้วหลีกไปด้วยว่าพรุ่งนี้จะมาจับแล้วลืมไปเพรานในวันที่เจ็ดพาโคกลับมาเลี้ยงที่เดิมพบจอมปลวกพลันนึกขึ้นได้จึงเปิดช่องที่ตนปิดไว้ เฮียตัวนั้นต้องอดอาหารอยู่ตลอดเจ็ดวันเขาเหล่านั้นไม่ต้องไหมในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเฮียแต่เขาได้เป็นผู้อดข้าวร่วมกันตลอดเจ็ดวันต้องรับกรรมนี้อยู่ถึงส4อัตภาพภิกษุทั้งหลายกรรมนั้นพวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโคทั้งเจ็ดได้ทาไว้แล้วในการนั้นครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระศาสดาว่าความพ้น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 ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาเป็นกถามีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละแม้จะซ่อนกายกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุตสุดวิสัยซ่อนในป่าซ่อกเขาลำเนาไพรซ่อนที่ใดให้พ้นตายนั้นไม่มีสัตว์โลกไม่เคยมีเวลาไหน ที่จะว่างจากการเสวยวิบา ก, กรรม